nam% ถามถ้าใครได้รับความช่วยเหลือจากเรามากมากเขาจะต้องเป็นคนใช้เราในชาติต่อไปหรือเปล่าครับไม่จำเป็นหรอกครับคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณมากมากโดยที่คุณเต็มใจเองหยิบยื่นเองอันนั้นก็ไม่ถือว่าเขาใช้สอยคุณแต่อย่างใด การช่วยเหลือกระทั่งเขาทราบซึ้งน้ำใจคุณและอาจยังไม่มีโอกาสตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาตินี้จะมีผลอย่างไรในชาติถัดไปก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เขาได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่น 1. หากคุณช่วยเปลี่ยนเขาจากร้ายให้กลายเป็นดีทุมเทแรงกายแรงใจและกำลังสมองทั้งหวานล้อมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัว ตลอดจนพาไปกราบครูบาอาจารย์ผู้เป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งอย่างนี้มาพบกันอีกในชาติถัดมาเขาจะเชื่อคุณยอมคล้อยตามคุณยอมให้คุณเป็นผู้นำทางความคิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนหัวรั้นมาตลอดชีวิตไม่เคยยอมฟังใครเลยก็ตาม 2. หากคุณช่วยเขาเปลี่ยนสถานการณ์ลำบากให้กลายเป็นสบายขึ้นเช่นช่วยปลดหนี้ให้เขา ไม่ทำให้เขาต้องเสียบ้านเสียรถหรือช่วยให้เขารอดจากคุกเมื่อพบกันอีกในชาติถัดมาเขาจะอยากช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับคุณและมักมารู้จักกับคุณทันสถานการลำบากบางประการเพื่อให้เขาแสดงฝีมือหรือน้ำใจช่วยเหลือแม้ปกติเขาจะไม่ใช่คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อใครต่อใครเท่าใดนักก็ตามย้าว่าทั้งสองกรณีหลักๆข้างต้นเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ถูกช่วยเหลือเขาทราบซึ้งและสำนึกบุญคุณในความเป็นจริงความสำนึกบุญคุณจดจำฝังใจไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายติดอยู่กับธรรมชาติดิบๆคือเห็นแก่ตัวเอาเข้าตัวกะเกณฑ์ให้คนอื่นทำเพื่อตัวฉะนั้นผลจากการช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือจึงไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของการตอบแทนกันเสมอไปมองภาพรวมคุณจะเห็นโลกนี้มีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ กลุ่มที่1พร้อมจะแบมือขอความช่วยเหลือกลุ่มที่2ยินดีจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยกลุ่มแบมือขอมีขนาดใหญ่มาหึน ม, มาส่วนกลุ่มยื่นมือช่วยเหลือมีแค่หยิบมือเดียวแถมกลุ่มยื่นมือช่วยมีสิทธิถูกยักย้ายไยเทมาเป็นกลุ่มแบมือขอได้ง่ายแค่เข็ดหรือเจ็บใจหนักๆสักครั้งสองครั้ง ส่วนกลุ่มแบงมือขอก็เป็นไปได้น้อยที่จะถูกยักย้ายถ่ายเทมาเป็นกลุ่มยื่นมือช่วยต้องเกิดแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวงกันจริงๆกลุ่มแบงมือขอจะไม่มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นผู้นําและเสวยพบของนักพึ่งพาเพราะเสวยพบของนักพึ่งพาถ้าได้เพื่อนเป็นพวกยื่นมือช่วยตนเองก็จะมีศักดิ์ศรีได้ยกว่าและมักเป็นฝ่ายต้องอิจฉาตาร้อนสารพัด ยากจะขยับขึ้นมามีความรู้สึกทัดเทียมเพื่อนได้ส่วนกลุ่มยื่นมือช่วยนั้นเมื่อสวยพบนักช่วยเหลือหลายชาติหลายสมัยเข้าก็ชักเสพติดรสสุขอันเกิดแต่มหากรุณาที่มีความเยือกเย็นไพ i า a ล้ำลึกกระทั่งรักการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจบารมีเติบกล้ากลายเป็นนิสัยโพธิสัตว์ซึ่งมีลักษณะเป็นผู้เต็มไปด้วยความใ ย, ยดีอาทรต่อสรรพสัตว์ อยากรื้อถอนสัตว์ออกจากห่วงสมุดแห่งความทุกข์จึงพลอยมีกำลังใจไม่จำกัดดุดห่วงมหาสมุดแห่งความการุณาเขาย่อมมีกำเนิดที่ใหญ่และเป็นผู้นาแทบทุกครั้งเหมือนเกิดมามีหน้าที่ต้องช่วยคนจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทนจากทั่วทุกสารทิศเช่นกัน กิเปัญหามากมายวนวนไม่เกิดก็ฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไร